وجعل القمر فيهن نورًا وجعل الشمس سراجًا لاทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่าง และทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้า والله أنبتكم من الأرض نباتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجًا และทรงทําให้พวกเจ้ากลับคืนสู่แผ่นดินและจะทรงให้พวกเจ้าออกมาอีกเพื่อฟื้นคืนชีพอัลเลาะห์ฮุจอะละละกุมุลอดบิสาฏแล้วอัลเลาะห์ทรงทําให้แผ่นดินนี้ราบเรียบสําหรับพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้นนูห์ได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนฉันและเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขามิได้เพิ่มพูนอันใดแก่เขา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 مِمَّا <mimma> خَطِيئَاتِهِمْ مُغْرِقُ فَأَدْخِلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ <amsara> أَنْصَارًا انเนื่องจากความผิดอันมากมายของพวกเขา พวกเขาจึงถูกให้จมน้ำตายและจะถูกให้เข้าไปอยู่ในไฟนรกดังนั้น พวกเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือสําหรับพวกเขาอื่นจากอัลเลาะห์และนูห์ได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้เลยอินนะกะอินตัดดะรฮุมลิยดิลลูอิบาดะกะวะลายะลิด illa fājiran kaffārā praw thae jing hāk prōng than song plòi phuak